ตอนนี้ไปพึงตั้งสติสำรวมใจให้ดี <c oughs> เมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วก็ต้องกำหนดรู้ตัวว่าตนนั่งอยู่ในที่นี้แล้วก็นั่งนิ่งแล้ว มันต่อจากนั้นก็น้อมสติเข้าไปภายในเมื่อรู้ภายนอกแล้วกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆจนกลัวใจมันจะตั้งลงอันนี้นวิธี สำมรวมจิตในเบื้องต้นถ้าไม่ทำอย่างนี้แล้วก็จิตจะไม่สงบลงได้เลยเมื่อจิตตั้งลงได้แล้วก็อธิษฐานถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ะระลึกอันประเสริฐของตน ขอให้ด้วยอำนาจแห่งความสัตว์ความจริงใจอันนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้ามีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิและก็ขอให้มีปัญญารู้จริงเห็นแจ้งในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วนั้น ที่ฐานใจลงไปอย่างนี้แต่บางแห่งเพื่อนนำว่าไปเรียกว่าขึ้นกรรมฐานก่อนจะนั่งสมาธิภาวนาก็ขึ้นกรรมฐานก่อนแต่ในตำราไม่มี มีแต่ทรงแสดงไว้ให้ตั้งสติสำรวมใจเพ่งกรรมฐานอันใดอันหนึ่งให้ปรากฏภายในใจถ้ากรรมฐานอันใดอันหนึ่งไม่ปรากฏในใจแล้วใจจะไม่สงบลงได้ การเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอันนั้นมันก็เป็นพระกรรมฐานอันนึงให้เข้าใจเนือการนึกพุโทโธอย่างนี้ก็เป็นกรรมฐานอันนึงเป็นกรรมฐานที่จะทำใจให้สงบหรือว่าเป็นเครื่องผูกใจ ไว้ในอารมณเดียวอย่างวาพุโทโฮงนี่ก็ให้จิตมันอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวเท่านั้นไม่คิดไปทางอื่นหมายความว่าอย่างนั้นอันว่าเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้ก็ให้จิตมันกำหนดรู้อยู่แต่ ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นไม่ไปรู้อย่างอื่นแต่พยายามตัร่อมจิตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวมหมายเขาว่าอย่างนั้นเมื่อให้มันแตกกระสานสั้นเพนไปในเรื่องต่งตางๆภายนอกถ้าไม่ควบคุมจิตอย่างว่านี้แล้ว มันก็นั่งสร้างวิมานบนอากาศเนี่ยนั่งภาวนานั่งคิดปรุงแต่งไปสุดแล้วแต่คว้าอารมณ์มา ไ, ได้ก็วิกวิจารณ์ในอารมณ์ น, นั้นไปในเรื่องนั้นไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยการที่นั่งสมาธิรษษษษัศจิตวิกวิจารณ์ไปอยู่งั้นไม่ใช่ไม่ใช่ทางแล้วให้เข้าใจ ไม่ถูกทางสมถะแปลว่าทำใจให้สงบเป็นหนึ่งดังนั้นมันต้องมีสติกรรมกับจิตห้ามจิตไว้ให้ได้อย่าให้มันคิดส้านไปในอารมณ์ต่างๆให้คมจิตที่มันเพิดเพลินไปต่างๆนั้ น, นไว้ด้วยสติ ด้วยขันติความอดกั้นอดไม่คิดนี่คำว่าอดทนนะั่นน่ะอดไม่คิดไปในอารมณ์ต่างๆอะไรอะไรมันก็สู้ความอดไม่ได้หรอกถ้าเราอดซะอย่างเดียวแล้วมันได้เนะียเล่นเสียแต่มันจะถอยความอดนั้นมันจะไม่อดต่อนะนะั่นน่ะ ถ้าหากว่าอดต่อไปเรื่อยๆไปจิตมันก็สงบอยู่ได้เดียวว่าสงบอยู่ได้ด้วยความอดแบบนั้นนะในเบื้องต้นนี้มันก็ต้องให้มันสงบอยู่ด้วยความอดนั่นแหละก่อนนะเพราะว่ามันยังสู่มอำนาจของกิเลสไม่ได้จะให้มันสงบรวมลงเองมันไม่ได้ กิเลสมันยังรบกวนอยู่ดังนั้นเราก็จึงอดสักก่อนทางอดทางเพ่งอดแล้วก็เพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปวิธีนี้แหละที่ใจของบางคนเนี่ยมันฟุ้งสั้นแล้วมันจะสงบลงได้ ถ้าเพียงแต่เพ่งลมหายใจเข้าออกเท่านั้นไม่อดกั้นในใจด้วยคิดก็จะสงบลงไม่ได้ต้องใช้ความอดทนประกอบเข้าด้วยไม่ใช่กั้นลมหายใจนะอดไม่คิด อ, อันหายใจนะั่นเดี๋ยวว่าหายใจตามปกติแต่พยายาม อย่าอย่าหายใจแรงพยายามผ่อนลมหายใจให้เบาลงวางใจให้สบายสบายไป <c oughs> ไม่ต้องไปกดอ า, อารมณ์ต่างๆจนเครียดเกินไปก็ไม่ไหว ถ้ามันเครียดเกินไปเอาก็ปล่อยมันคิดบ้างแต่ให้มันคิดไปในทางที่เป็นไปเพื่อความส ง, งบเช่นคิดถึงความตายอย่างนี้นะชีวิตนี้มันมีน้อยเดียวมันมีอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้แหละถ้าลมนี่หยุดลงเมื่อใด ก็เป็นนั้นว่าตายกันเมื่อนั้นหายใจเข้าแล้วไม่ออกไปก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายอ่านี่แหละเครื่องหมายของความตายคือลมหายใจที่มันหยุดลงเครื่องหมายของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ ก็คือลมหายใจเข้าออกท้ากว่าลมหายใจเข้าออกนี่มันยังปกติอยู่ตราบใดชีวิตนี่ก็ยังเป็นอยู่ไปตราบนั้นแต่เราก็รู้ไม่ได้เลยว่าลมหายใจนี่มันจะหยุดลงเมื่อใดไม่มีใครมาบอกร่วงหน้าเลยต้องเตือนตนอย่างนั้น ถ้าเมื่อมานึกถึงความตายเข้าไปอย่างว่านีแล้วก็มันจะทําให้จิตใจที่ฟุ้งซ่านอยู่แล้วหดตัวเข้ามาเพราะว่ามองเห็นชีวิตนี้มีน้อยนิดเดียวหนึ่งแล้วก็รู้ไม่ได้เลยแล้วว่าความตายมันจะมาตัดรอนชีวิตนี้เมื่อใด เราจะต้องเตรียมตัวไว้อยู่เสมอเสมอไม่แค่นั้นแล้วมันก็จะทำให้จิตใจป่วนปันเมื่อหากว่าความตายมันมาถึงปุ๊บปั๊บเข้าอย่างนี้นะก็จะเผลอสติไม่มีสติควบคุมจิตเกิดความสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายถ้าหากว่าได้ พิจารณาความตายอยู่บ่อยๆเข้าไปแล้วมันชินกันมันก็ไม่กลัวตายแล้ววบนนี้นะเพราะว่ามันมองเห็นแล้วนี่ไม่ไม่มีคนตายไม่มีสัตว์ตายมีแต่ธาตุสี่ขันหนี่แหละมันแปรปวนไปแล้วมันแตกดับลงนี่การเจริญมานสติกรรมฐานเนะ่ะ จเจริญเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ขั้นสุดท้ายก็อย่างว่านั่นเนี่ยขั้นสุดท้ายนี่มันมันเป็นปัญญานะบัดนี้นะปัญญาเนี่ยมองเห็นความจริงของร่างกายอันนี้นี้อ่ไม่ไม่มีคนตายคนไม่มีอยู่ในขันห้านี้ดันั้น ต้องลบสมมติอันนี้ออกไปมันถึงจะละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี้ลงได้ถ้าไม่ลบสมมติอันนี้ออกจากใจแล้วมันจะไม่ยอมปล่อยวางขันห่านี้เลยมันก็จะต้องสำคัญว่าเรากำลังเจ็บนักเรากำลังจะตาย อะไรอะไรก็มีแต่เราทั้งนั้นแหละมันก็เลยพ้นจากน้มจากรูปอันนี้ไปไม่ได้เมื่อรูปน้มเก่านี่แตกดับลงกรรมมันก็ไปตกแต่งรูปกับน้มใหม่ให้เพราะว่าตนได้สร้างกรรมไว้ดังนั้นแหละ การที่ภาวนานี่นะความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วมาสอนจิตนี่ให้ละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นต่างๆดังกล่าวมานั้นนะเริ่มต้นแต่มันยึดมั่นถือมั่นในบาปอกุศลนุ่นเนี่ยคนเราเมื่อทำบาปมาแล้ว ไม่คิดเห็นโทษของบาปก็แสดงว่าถือมั่นในบาปนั้นไว้เนี่ยบาปมันก็ไม่ถอนจากดวงจิตนี้ผู้ใดได้ลุ่มหลงทำบาปมาแต่ก่อนเนาะถ้าหากว่าผู้ใดมา น, นั่งภาวนาลงไปแล้วมา น, นึกถึงบาปกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนนะั้นยอมรับรู้ว่า เป็นบาปจริงการกระทำอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะแต่ก่อนไม่รู้อย่างนี้จึงได้ทำบัด น, นี้รู้แล้วว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทำบาปอย่างนั้นอีกต่อไปเลยด้วยความสัตย์ความจริงอันนี้ขอให้บาปเก่าที่ข้าพเจ้าทำมานั้นกระจง หมดไปสิ้นไปจากดวงจิตของข้าพเจ้านี้มันอธิษฐานจิตอย่างนี้เสมอเสมอไปอย่างนี้แหละบาปเก่าที่ได้รุมหลงทำมาที่ได้ยึดถือไว้นั่นมันก็จะหมดไปหมดไปละเบาวางไปเรื่อยๆ อ, อันคนเราเกิดมาในโลกนี้ เมื่อยังไม่รู้แจ้งในธรรมอันจะไม่ทำบาปนี้ไม่มีไม่มากก็น้อยแลละแต่ละคนนะดังนั้นน่ะการภาวนานี่ในเบื้องต้นนี้จึงชื่อว่าเป็นการชำระบาปออกจากดวงกิจนี้ไปก่อนเมื่ออธิษฐานไปเรื่อยๆบาปที่ได้ทำมาแต่ก่อนมันหมดลง เราก็จะรู้ได้เลยว่าจิตใจนี่มันสบายมันผ่องใสนี่แหละเบิกบานแล้วเรื่องชั่วกระทบกระทั่งมามันก็ไม่โกรธง่ายๆคนละบาปในใจออกไปแล้วนะมันก็มีสติรู้เท่าทัน เรื่องที่น่ายินดีนยินร้ายต่างๆกระทบกระทั่งมามันก็ห้ามจิตทันอันจิตที่บาปมันละงับไปแล้วนะเนี่ยมันก็มีสติประคับประคองอยู่ได้ให้สันนิษฐานดูจิตใจของตนว่ามันเป็นอย่างไรอ่ะมันยังมีบาปอยู่หรือว่าไง ถ้ารู้ว่ามันยังมีบาปอยู่เช่นอย่างว่าใครกระทบกระทั่งมามันก็ยังโกรธขุนเคืองอยู่ในใจเนี่ยก็แสดงว่ามันมีบาปอยู่นั่นแหละใจนั่นมันมีเชื้อของบาปอยู่ถ้าระ ง, งับไม่ได้ระ ง, งับทางใจนี่ไม่ได้มันก็แสดงออกทางกายทางวาจาอไป กระทบกระทั่งกับผู้อื่นตอบโต้กันไปก็ให้เกิดบาปอากุศลขึ้นมาจีนจังแล้วว่านี้นะก็มันเป็นอย่างนี้แหละให้พากันเข้าใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบ ร, ริษัทตั้งหลายภาวนานั่นนะ้าพูดตรงๆแล้วก็เพียรพยายามชำระบาปอากุศลที่มัน ติดตามดวงขิตนี้มาออกไปให้หมดให้สิ้นไปแล้วก็พยายามสั่งสมบุญกุศลเข้าไปแทนบาปถ้าถ้าลับบาปไปแล้วไม่สั่งสมบุญขึ้นแทนเอาสักหน่อยบาปมันก็โผล่ขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่า บาปมันระ ง, งับไปมันไม่มันไม่ระ ง, งับไปโดยเด็ดขาดโดยอํานาจแห่งอริยมรรครากของมันก็ยังมีอยู่นั่นแหละมันเป็นงั้นดังนั้นเมื่อล่าบาปไปแล้วจึงต้องเอาบุญเข้าไปแทนเทเมื่อใจมันได้ดื่มรสแห่งบุญว่ามันมีความสุขความสงบความเย็นดี เช่นนั้นแล้วมันก็จะไม่วิตกไปทางบาปแล้ววะนี้เพราะว่าบาปดำเป็นของร้อนพอได้ดื่มรสแห่งบุญแล้วมันก็พอใจในบุญนะคนเราเพราะบุญมันทำใจให้เย็นให้ส ง, งบแค่ น, นี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายว่าให้เพียรพยายามละอกุศลแล้วเพียรพยายามบำเพ็ญอกุศล ให้เกิดหทมีขึ้นในใจการที่เราทำใจให้รวมให้สงบลงได้นั่นแหละเป็นการสั่งสมบุญให้เกิดขึ้นถ้าหากว่าบุญไม่เกิดขึ้นแล้วใจจะสงบลงไม่ได้เลยต้องให้เข้าใจอย่างนั้น <c oughs> เพราะอาศัยบุญเกิดขึ้นเช่นเมตตาอย่างนี้นะ เมื่อมีเมตตาเกิดขึ้นแล้วความโกรธอะไรมันก็หายหน้าไปเละจากดวงจิตนี่นะฮนเวลานจิตมันจึงสงบลงได้เมตตาธรรมมันก็เป็นฝ่ายกุศล น, นี่อันนี้หรือว่าสติสมัมปชัญญะที่น้อมเข้าไปประคองจิตใจอยู่ใจ ตั้งมั่นอยู่ได้นั่น น, นั่นก็จัดเป็นฝ่ายกุศลเหมือนกันสติความระลึกได้ น, นั่นนะสัมปชัญญะความรู้ตัวเนี่ยระลึกได้คือระลึกเห็นได้ว่าร่างกายสังขารอันนี้เนะี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราทั้งนามทั้งรูปโมนั้นไม่ใช่เลย เมื่อะระลึกได้ว่านามรูปไม่ใช่ตัวตนของเราแล้ววันนี้เมื่นก็สอนจิตนี้ให้ปรุงให้วางนามรูปนี่เตือนจิตนี้ให้รู้ตัวให้รู้ว่าตนมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงให้จิตรู้อย่างนี้เพื่อจิตนี้จะได้ตื่นตัวไม่นิ่งนอนใจ ธรรมดาว่ามาใส่อยู่ในของไม่เที่ยงนี้มันก็จะต้องแปรปวนกระทบกระทั่งกับจิตนี้เสมอร่างกายอันนี้นะเหมือนอย่างบ้านเรือนภายนอกนั่นนะเรือนที่สร้างไม่ดีสร้างด้วยไม้ไผ่มุงด้วยหลังด้วยหญ้าคาอย่างนี้นะ เมื่อนานไปมันหมดอายุของมันเยาคามันก็ผุลงเนี่ยมันก็เป็นช่องโหว่ฝนตกลงมามันก็รั่วลงไปรถเจ้าของบ้านนั้นเปียกทุ่มไปหมดเครื่องเรือนอะไรอันหนึ่งมันผุลแล้วมันก็หักมันก็แตกลงมา มองเห็นได้เลยว่าตรงนั้นมันไม่มันผุตรงนี้มันหักอะไรโมนี่อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลผู้ภาวนาเมื่อใจสงบลงไปแล้วมันก็จะมองเห็นความจำรุดทุดทอมของร่างกายอันนี้แจ่มแจ้งในใจเลยยิงโย่ผู้ที่ ยังหนุ่มยังแน่นนะอาจจะมองไม่เห็นเลยว่าร่างกายนี่มันชำรุดส่วนไหนถ้าถ้ามองไม่เห็นอย่างนั้นก็ต้องมองดูท่านที่เกิดก่อนเราร่างกายของท่านทุดทรมลงไปอย่างไรนี่ก็เห็นได้ชั ด, ชดเลยเห็นด้วยตาหนังนี่แหละแล้วก็รับรู้ลงภายในใจนู่น ว่าเมื่อตนมีอายุมากเข้าไปอย่างท่านผู้นั้นนะอัตภาพร่างกายอันนี้ก็จะชำรุดทุดโทรมไปเหมือนกับท่านผู้ที่เกิดก่อนเรานานปีนั่นแหละไม่ต้องสงสัยเลยความตายก็เหมือนกันนะตนยังไม่ตายแต่ว่าก็ไปนึกถึงไอ้ผู้ที่เขาตายมาก่อนนะั่ะ แล้วชันใดตนก็จะต้องตายอย่างนั้นเวลานี้บุญยังไม่หมดบุญรักษาไว้ร่างกายอันนี้เนี่ยมันถึงไม่แตกไม่ดับก่อนไอ้พวกที่เพื่อนตายมาก่อนแล้วนั่นนะเพราะว่าบุญที่เพื่อนทํามาแต่ชาติก่อน น, นมันหมดลงแล้วเหตุนั้นร่างกายอันนี้มันก็จึงตั้งอยู่ไม่ได้ ก็พิจารณาเทียบเทียงกันดูอย่างนี้แหละแล้วมันก็จะไม่สงสัยในเรื่องตายวันนี้นะแน่นอนเราต้องตายวันหนึ่งให้ได้เมื่อบุญเก่านี้หมดแล้วก็ทนอยู่ไม่ได้แน่นอนเลยเหมือนอย่างต้นไม้ที่รากมันผุแล้วนั้นมันไม่มีกําลังที่จะดูดอาหาร ขึ้นไปหล่อเลี้ยงลำต้นไม่ตอนนั้นมันก็ค่อยตายลงมาตายลงมาโดยลำดับแหละในที่สุดก็ตายยืนอยู่นั้นถ้าไม่มีใครไปตัดมันนั่นแหละฉันใดร่างกายอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นแต่ต้นไม้นะตายแล้วเขายังไปตัดลงมาแล้วเอามาเลื่อยแปรเป็น เครื่องเรือนสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่อาศัยได้แต่ส่วนร่างกายนี้เอาไปทาอะไรไม่ได้เลยเมื่อมันแตกทำลายลงก็มีแต่เอาไปฝังหรือไปเผาสิ่งที่มันโสโคลกสกระปก ต, ต่างๆอย่นั้นถูกไฟเผาเข้าไปกลิ่นเหม็นมันก็จะระ ง, งับไป ก็ยังเหลืออยู่แต่กระดูกเท่านั่นเองอนี่เมื่อพิจารณาลงไปอย่างนี้เรื่องความตายนะทั้งนุมทั้งแก่ทั้งฟานกลางมันก็จะสลดใจแหล ะ, ะสลดใจว่าตนได้อาจรภาพร่างกายอันนี้มาไม่คิดว่ามันจะแตกกระดับง่าย ชำรุดทุดโทรมไปเนือกว่ามันจะอยู่ยั่งยืนนานเมื่อเพียงพิจนารณาดูแล้วมันไม่ยั่งยืนนานอะไรเลยไปๆไปคนละห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีว่าอย่างนานก็แปดสิบปีหรือแปดสิบกว่าปีส่วนหลายนี่ เท่าที่สังเกตดูแล้วมันอยู่ในเกณฑ์หกสิบเจ็ดสิบนี่แหละตายกันอันที่จะเลยไปถึงแปดสิบกว่าเก้าสิบกว่าอะไรมูนี่มีน้อยเต็มทีมเมื่อเป็นเช่นนี้นะการที่เราเกิดมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันนี้ เมื่อทบทวนดูจริงจังแล้วไม่นานอะไรนี่ไม่นานนะนนเมื่อมองเห็นว่าชีวิตนี่ไม่ยั่งยืนนานอะไรอย่างนี้จิตใจมันก็จะหดตัวเข้ามาอย่างว่านั่นนะความทะเยอทยานอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกนี้ไม่มีสิ้นสุดมันก็ค่อยเบาลงในความคิดอย่างนั้น ความอยากเช่นนั้นเพราะว่ามองเห็นสังขารร่างกายอันนี้มีอายุอยู่ได้น้อยเดียวไม่นานอะไรเลยนะเมื่อมันแตกสลายออกไปแล้วมันก็ไม่มีแก่นสารอะไรนะก็เหลือแต่กระดูกเท่านั้นเป็นพยานว่าคนพวกนั้นได้เกิดมาในโลกกับเขา ในครั้งหนึ่งแต่ความจริงเนี่ยเที่ยวเกิดเทีเ่ยวตายมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วแหละแต่ะระลึกชัด้นหลังไม่ได้เฉยๆถ้าผู้ใดมาเพ่งพิจารณาดูเรื่องของความตายอย่างนี้โอ้มันบรนเทากี่เดชลงได้หลายความทะละวิวาด ติดเทียงกันก็ไม่มีอยู่ร่วมกันหมู่มากนี่น ะ, ะจะไปทะเลาะทำไมในเมื่อมันจะตายอยู่ น, นี่แม่จะพลั้งเผอกระทบกระทั่งกันบ้างก็ให้เอาภัยกันไปไม่ถือสาหาความเป็นอย่างนั้นการนึกถึงความตายนี่มันก็ทำให้ จิตใจนี่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีได้เพราะว่าเรามองเห็นร่างกายนี่มันพึ่งไม่ได้แล้วเช่นนี้เราจะเอาอะไรมาพึ่งบารีเมื่อมองเห็นร่างกายอันนี้มันจะพึ่งไปนานไม่ได้แล้วเอพระพุทธเจ้าก็จึงสอนให้ พึ่งบุญพึ่งคุณบนี้น ะ, ะบุญคุณที่ตอนได้สร้างให้เกิดมีขึ้นในใจนี่แหละจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของดวงจิตนี่ไปแทนร่างกายบบนี้ น, นั่นเองผู้ใดมีวัยแยบภายในใจอย่างนี้นะผู้นั้นก็ได้ชื่อว่า เป็นผู้ใดที่พึ่งเงินประเสริฐในตนผู้ใดได้สร้างที่พึ่งขึ้นในใจได้อย่างว่านี้แล้วเมื่อความเจ็บความตายมาถึงเข้ามันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจและก็ไม่ได้อะไรในขันห้าอันนี้เพราะว่ามองเห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงเมื่อสิ่งใดไม่เทียเท่ยงแล้ว สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากแล้วก็ทนอยู่ไม่ได้พอหมดเหตุหมดปัจจัยลงแล้วมันก็แตกดับลงจะไปบังคับมันก็ไม่ได้นี่แหละเมื่อพารณาถึงความตายมันก็นเลยไปถึงไตรลักษณะญาณไปเลยแบบนี้ญาณ น, นั่งสามนี่ก็จะเกิดขึ้นนะ งานที่รู้แจ้งว่าขันธ์หา น, นี้ไม่เที่ยงมันก็เกี่ยมแจ้งขึ้นมางานที่มองเห็นว่าเมื่อร่างกายนี้ไม่เที่ยงแล้วมันก็จอมแปรปวนไปวันไว้ไปความแปรปวนของร่างกายเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตราัสทุกขั้งทนได้ยากลำบาก ทนอยู่ไม่ได้ลนนักษณะอาการที่มันทนอยู่ไม่ได้นั่นแหละมันสอให้เห็นว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครบังคับไม่ได้ใครๆในโลกนี้ย่อมไม่มีความสามารถจะไปบังคับธาตุสี่ขันห้าอันนี้ไม่ให้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 ก็รงก็วางลงเลยจะไปแบกเอาไว้ให้มันหนักทำไมละ่ะลอยวางลงไว้ตามสภาพของมันสุดแล้วแต่มันจะแตกจะดับไปยังไงก็เรื่องของมันเรื่องของตัวเองก็คือกำหนดรู้เท่าธาตุตีขันห้านั่นตามเป็นจริงเสมอไปนี่หน้าที่ของขีดนะ มีหน้าที่กำหนดรู้เท่าไปไม่เสียใจไม่ดีใจกับธาตสี่ขันหานั้นอันนี้แหละนับว่าเป็นกิจวัตรที่พุทธบริษัททั้งหลายจะพึ่งกระทำบาเพ็ญเลื่อยไปไม่เช่นนั้นแล้วผู้นั้นก็ จะไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐจะไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงจะพบแต่ความทุกข์เมื่อเมื่อปัจจุบันนี้ใจมันเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่แล้วหรือเวลาชวนจะตายมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้น ะ, ะเมื่อตายลงไปไปสู่โลกหน้านัน่นมันก็เป็นทุกข์ไปในโลกหน้านั่นอีก เพราะว่าใจดวงเดียวนี้ละออกจากร่างนี้ไปมันก็เศร้าโศกเสีย ใ, ใจไปอยู่งั้นแหละเพราะว่าเวลาจวนจะตายมันก็เศร้าโศกเสีย ใ, ใจโยมันถึงได้ตายไปอย่างนี้นะอันนีน้ผู้ที่มาชาระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์จากบาปโทษบนทินต่างๆเอาไปแล้วอย่างนี้ มันใจมันก็สงบจยางว่าแล้วเนะี่มันก็มีปัญญามองเห็นแจ้งในขันห้านี่ตามเป็นจริงเมื่อขันห้านี่มั น, มนมวิบัติแปลปวนไปก็ไม่เสียใจเศร้าโศกยังมีใจตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณบนี้เพราะว่าเคยฝึกมาแล้วแต่ก่อนก่อนที่มันจะเจ็บจะป่วยลงไปนะได้ฝึกขวนจิตนี่เตือนจิตนี้ให้ สร้างที่พึ่งขึ้นในตนมาแล้วเยะนามันจึงไม่เสียใจเศร้าโศกจึงไม่สะดุ้งหวากรัวต่อความตายนี่ให้พากันรู้จักความมุ่งหมายแห่งการละบาปบำเพ็ญบุญที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนคนที่มีบาปอยู่ในตัวละมิแต่กลัวตายกลัวทกุกข์ เป็นอย่างนั้นคนผู้มีบุญอยู่ในใจมีคุณอยู่ในใจแล้วไม่กลัวตายแล้วก็ไม่กลัวทุกข์หมายความว่าเมื่อทุกขเกิดขึ้นในร่างกายอันนี้ก็ทำความรู้เท่าแล้วไม่ไม่หวนไหวไปตามทุกขนั้นจึงเรียกชื่อว่าไม่กลัวทุกข์แต่ไม่กลัวทุกข์อีกแบบหนึ่งนั่นมันก็ใช้ไม่ได้ เช่นไม่กลัวทุกข์ในอวัยภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นดังที่เคยแสดงมาบ่อยๆน้วนแะเมื่อบุคคลไม่กลัวต่อทุกข์ภายในนรกแล้วเมื่อก็ทำบาปได้แบบนี้นะอันนี้ฆ่าสัตว์ได้รักทรัพย์ได้ประพฤติผิดในกามก็ได้กล่าวมุสาวาทหลอกลวง เอาทรัพสมบัตปิปืนมาเป็นของตนด้วยวาจาอันโกหกหกรมต่างๆมันทำไดนน้เดิมเล่าเมาสรากัรซายาฟินเฮโรอิ น, นมันก็ทำได้เพราะมันไม่กลัวนี่ไม่กลัวต่อบาปกรรมมันี่มันจะนำดวงกิยตให้ไปตกน ร, รกหมกไม่ อยู่ในย ม, มโลกนั่นมันเกามันไม่กลัวไม่เชื่อว่าจะมีนรกอีกซ้ำคนผู้มีกิเลสตัณหาครอบความจิตใจอย่างหนานแน่นแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหะมันทำให้เกิดจิตกระด้างกระเดืองขึ้นมาไม่กลัวต่อภัยในนรกในทุกขต่างๆมูนี่นั่นให้ระมัดระวังกันไว้ไอ การปล่อยจิตให้แข็งกระด้างกระเดืองดังกล่าวมานั่นนะมันเป็นภัยต่อตัวเองมั่งไม้ทีเดียวมันก่อทุกข์ให้แก่ตัวเองไปเรื่อยๆแหละคนไม่กลัวต่อทุกต่อบาปกรรมอันชั่วร้ายทั้งๆดังนั้นให้พากันส้อนใจให้ตั้งความกลัวให้ตั้งความละอาย ไว้ใใจนั้นเสมอเสมอทีเดียวครับไม่นึกกลัวไม่นึกอายบ่อยๆเข้ามันก็ไม่กลัวไม่อายต่อการกระทําความชั่วแหละคนเรานะ่ะถ้าว่ามันนึกมันพิจารณาถึงความชั่วบ่อยๆเข้าไปว่าเมื่อทําลงไปแล้วมันจะให้ผลอย่างนั้นอย่างนั้นผลในปัจจุบัน มันเป็นยังไงอ่ะพิจารณาดูก็รู้ได้เช่นเมื่อบุคคลไม่เพียรไม่ยอมลากความโลภออกจากใจอย่างนี้นะถ้าเป็นนักบวชเมื่อได้ทายทานอะไรมาแล้วมันก็หวงอย่อยางนั้นไม่ยอมแจ ก, กให้แก่เพื่อนผู้ไม่มีมถ้าเป็นครือฮัดอันนี้หาเงินนะาทอง ได้มาแล้วกับมาหวงไว้ไม่ยอมจ่ายแม้แต่จะจ่ายมาเลี้ยงครอบครัวนั้นก็ฟืดเครืองเต็มทีจ่ายน้อยเต็มทีไม่สมกับฐานะว่าผู้มีเงินมากแล้วหนาไม่ช้ำไปเห็นของผู้อื่นสมบัติผู้อื่นมีมากมายก็เกิดอยากได้ขึ้นมาวางแผนท่อกงหลอกลวง เอาสมบัติปืนมาเป็นของตนเข้าไปนี่เมื่อปล่อยให้ความโลภครอบงามจิตใจแล้วมันก็ไปอย่างนั้นแหละปล่อยให้ความโกรธครอบงามจิตใจแล้วผู้นั้นมันก็มีแต่ปรหารผ่านทะเลาะกับคนอื่นอยู่ร่ำไปอย่างนั้นนลยอยู่ไม่เป็นสุขเลย วันหนึ่งหนึ่งนี่ไม่ได้โกรธไม่สบายใจคนผู้ที่มีความโกรธเป็นเจ้าเรือนต้องไปแส่หาเรื่องกับคนใดคนหนึ่งให้ได้โกรธขึ้นมาเสร็แล้วก็จึงสบายใจก็มีความสบายใจแบบนั้นมันแฝงไปด้วยบาปอากุศลบุคคลไม่ควรที่จะไปฝึกนิสัยของตนให้เป็นอย่างนั้น ต้องเห็นโทษของมันน้อยหนึ่งก็ไม่โกรธเราต้องอธิษฐานใจลงไปอย่างนั้นเราจะระมัดระวังตัวแม่น้อยหนึ่งก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นความโกรธนี่นะเห็นอธิษฐานในใจลงไปอย่างนี้มันจึงจะระงับความโกรธอย่างละเอียดลงไปได้ แต่คนส่วนมากนั้นถ้ามันโกรธนิดๆหน่อยๆนี่ถือว่าไม่เป็นไรอะไรไม่ไม่ถือว่ามันเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตของตนเลยความโกรธนิดๆหน่อยๆนั่นแหละเมื่อไม่กำหนดละมันเนี่ยมันเป็นเชื้อไว้แล้วอย่างนี้นะพอมีเรื่องไม่ดีต่างๆกระทบเข้ามา เพิ่มเติมเข้ามาอีกความโกรธมันก็หนาแน่นขึ้นแบบนี้นะมันได้เชื่อแล้วนะเหมือนก็เลยเป็นความโกรธจางใหญ่โตขึ้นมาอเมื่อล่าไม่ได้มันก็เป็นความพยาบาทต้องวางแผนทําลายล้างผานึงกันและกันไปนี่ความโกรธแม่น้อยหนึ่งก็ไม่ควรเลี้ยงมันไว้ในใจ เมื่อเข้าใจเหตุผลอย่างว่านี้แล้วนะต้องพยายามรักษาจิตของตนถ้าว่าเผลอเผอมันแลบออกมาอีาน้อยหนึ่งข้อรีบกําหนดละมันทันทีเลยอย่าทนให้มันก่อตัวให้มากขึ้นในใจนี้มันอย่างนี้แหละการเพียรละกิเลสตัณหานะให้เข้าใจเมื่อละย่างยาบได้แล้ว อ้าก็มาเพียนละอย่างกลางไปเมื่อละอย่างกลางได้แล้วก็เพียนละอย่างละเอียดอ ม, มันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เพียนพยายามติดต่อกันไปอย่างว่านี่แล้วไปละได้แต่กิเลส่างหยาบเท่านั้นมานี้อย่างกลางอย่างละเอียดละไม่ได้ พอเผลอตัวเข้าไว้ประมาทเข้าไปกิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดนี่แหละมันจะกลายเป็นกิเลสอย่างหยาบไปอีกทีหนึ่งอมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสั่งสอนให้เป็นผู้มีความเพียรติดต่อกันไปเรื่อยๆอย่าไปท้อถอย เมื่อเราทำสมาธิลงไปใจมันตั้งมั่นลงไปอย่างไรแล้วก็พยายามรักษาสมาธินั้นไว้ให้มันสม่มเสมอไปเมื่อสมาธิมันสม่มเสมอไปปัญญามันก็เสมอเหมือนกันปัญญามันก็มีอยู่เรื่อยไปแหละมันเป็นอย่างนั้นกัรเบื่อสมาธิถอน ออกจากจิตนี้ไปปัญญามันก็ถอนไปตามกันมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าปัญญามันก็อาศัยสมาธิเป็นฐานที่ตั้งนะหรือเป็นบอกเกิดก็ว่าได้เป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันรักษาสมาธิจิตนี้ไว้ให้ได้ แล้วปัญญามันก็จะเกิดขึ้นอยู่ในสมาธิอ น, นันต์เนี่ยดังแสดงมา